ยังมีเจอีท e คนหน้าสาลาอีกคนหนึ่งที่เจอประสบการณ์ร้ายๆมาเต็มๆวันนั้นรู้สึกว่าจะไปที่จังหวัดสระบุรีหลวงตาท่านจะไปแสดงธรรมที่มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรสักอย่างวันนั้นพวกเราก็ไปแจกต้นพะป่ากันพอไปถึงลงจากรถไปได้แป๊บเดียวเจอีตวิ่งกลับขึ้นมาบนรถร้องไห้โวยวายคดพ่อคดแม่มันพี่ไปบอกมันดีๆว่าหลวงตาจะมาแทะอยู่ที่นี่ที่นี่พี่พูดแค่เนี้ย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 เช่นเราไปวันนี้เราไปทํางานได้บุญได้อนิสง์อย่างไรผจญมาหนักขนาดเนี้ยอนิสง์ก็ย่อมมีมากเพียงไรสิ่งที่พูดเกิดขึ้นมาเองในจิตผมพูดอยู่สม่ําเสมอจนทุกคนยั่งกันมานั่งหน้ารถจะได้ฟังธรรมะก็สับเปลี่ยนกันมานั่งและที่ต้องประคองใจของทุกคนคนมาช่วยงานมีน้อยและทุกคนก็ถือศีลแปดบางวันก็ได้กินบางวันก็อดซ้ําบางวันยังไปเจออุปสรรคหดโหดร่างกายมันก็อ่อนเพลีย จิตใจมันก็อ่อนแอกันได้ก็ต้องเอาธรรมะนี่แหละมาเป็นหลักยึด